มาสการณ์อาจารย์พระอาจารย์แล้วก็ขอบคุณอาจารย์บางพานพักค่ะที่ชวนเข้ามาก็จริงๆก็อยากจะถามาพระอาจารย์มานานหเหมือนกันว่าเข า, าจะตกลงว่าชัดมันคืออะไรกันแน่เดี๋ยวเดี๋ยวพระอาจารย์จะต้องให้เรากวนพระอาจารย์ อ, ย อ, า อ, าายอธิบายอีกรอบหนึ่งที่ที่ได้ได้จริงๆเลยก็คือหลักในการในการไปปฏิบัติธรรมต่อเพราะว่าปกติก็เดินจงกรมอยู่แต่ทีนี้เนี่ยพระอาจารย์บอกว่าให้ดูให้ชัดชัด แล้วทีนี้ตอนนี้ก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเดินจงกรมแล้วมันมีหลักให้ให้ทำมากขึ้นเพราะแต่ก่อนก็จะรู้สึกว่าแค่รู้สึกสัมผัสเทา้ทาเท้าสัมผัสพื้นแล้วก็เดินแต่ตอนนี้เนี่ยคือเริ่มที่จะสังเกตคือนั่งดูมันมากขึ้นคือดูว่าอะไรเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นบ้างอันนี้ค่ะที่ ท, ที่ก็เลยรู้สึกว่ารู้สึกจริงๆก็คือไม่รู้เรียกว่าเพลินหรือ ว, ว่าก็เดินจงกรมแล้วมันมีหลักให้ให้ทํา รูส้สึกว่าเดินได้เยอะมากขึ้นอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองสิ่งที่น่าตื่นเต้นคือได้เห็นความชั่วของตัวเองเยอะมากความเร็วารของตัวเองเยอะมากคือแต่ก่อนก็คือเบลอๆแต่พอพอมาพอมาเดินจริงๆมาหรือมานั่งจริงๆอย่างเงี้ยจะเริ่มเห็นความโกรธความหงุดหงิดความโมโหคนนู้นโมโหคนนี้อะไรไปเรื่อยเปื่อยซึ่งแต่ก่อนจะไม่ค่อยยอมรับกับมันแต่พอพระอาจารย์บอกให้ดูให้ชัดๆก็เลย อาเผชิญหน้ากับมันดูมันไปแล้วก็เริ่มรู้ว่าเออมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็เริ่มรู้สึกว่ามันก็แค่เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นมาแล้วมันก็จะหายไปคือมันไม่ใช่เราที่คิดแต่ก่อนรู้สึกว่าที่ที่ไม่ค่อยอยากจะรับรู้เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จแล้วพอเห็นอย่างนี้แล้วเราจะแม่งชั่วมากอะไรประมาณนี้แต่พอแบบรู้ว่าเอ้ยเอ้ามันก็เกิดแล้วมันก็หายไปมันไม่ใช่เราหนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเริ่มวางใจมากขึ้นที่จะทําอะไรแล้วก็ดูให้มันชัดๆแต่ไม่รู้ว่าชัดอย่างที่ารย์ต้อองการรหืะ ที่ที่ให้ชัดทางกายนี่เพื่อให้เกิดทักษะเพื่อจะให้ไปชัดทางใจแต่ในกรณีของโยมเนี่ยเข้าไปดูที่อาการของจิตชัดเลยเนียตรงนี้คือรัดขั้นตอนเลยทีเดียวนะคือหมายถึงว่าอาการที่ความไม่ดีของบางอย่างส่วนใหญ่เราจะหลบมันใช่ไหมไม่อยากจะคิดหรือไม่อยากจะมวยคิดต่อแต่ในการที่ว่าเข้าไปเผชิญหน้าเอาดูว่ามันที่ว่าความชั่วที่ว่าเรามีมันชั่วขนาดนี้หรือมันชั่วไปแล้ว จริ ง, รงแล้วมันไม่ได้ชั่วขนาดนี้เลยใช่ไหมที่เราคิดว่ามันไม่ดีมันก็ผ่านไปแล้วแต่การที่เราเอานํามาคิดใหม่ตรงนี้คือชั่วระดับใหม่เออที่ขังใหม่ <c oughs> ข้อวขังเก่า ม, มันจบไปแล้วเออตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราชัดตรงนี้เราจะอ๋อมันก็คือความคิดใช่ไหมแต่ความจริงมันไม่ได้มันมันไม่ได้มีขนาดนี้ดังนั้นตรงนี้ท่านจึงบอกว่าการที่เรานํามาคิดใหม่เนี่ยเขาเรียกอุปทานตัวเนี้เป็น เป็นสิ่งที่ทําเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทุกตัวที่สําคัญ น, นะคือตัณหามันก็จบไปแล้วถามนะคะว่าคือคือคือสมมตุติสมมติรู้สึกไปแล้วอันนี้คือจบไปแล้วแล้วพอเราเอามาคิดอีกรอบหนึ่งมันก็กลายเป็นจิตสองจิตที่สองมาดูจิตที่หนึ่งใช่ไหมคะมตัวนี้ไอ้จิตตัวนั้นมันคืออุปทานทีนี้ก็มันรู้ไปแล้วจะทํายังไงดีคะคว่า <c oughs> อย่าชั่วครั้งที่สาม <c oughs> ก็จะพอครั้งที่สองพอจะถึงครั้งที่3ามบูริเจ้าท่านไม่ให้เกินสาครั้งนะพีแล้วมันมีโอกาสไหมคะที่จะแบบครึ่ ง, ค ร, ง, ค, รงครึ่งครั้งครึ่งครั้งหมายผมว่าถ้าคิดเกิน3ามครั้งไปอันนั้นมันชั่วจริงจริงเลยถ้าถามว่ามันมีโอกาสไหมคะที่มันจะแค่ครึ่งครั้งคืออ๋อพอนึกได้เช่นก่อนพอทำท่าจะนึกพอทําท่าจะคิดเรื่องนั้น น, ะนึกได้เช่นก่อนแล้ก็ดับไปอันนี้เรียกว่าครึ่งครั้ง อ่าอันนี้เป็นไปได้อยู่แต่ว่าถ้าหากามันจบไปแล้วก็มาเพิ่งนึกได้อ น, นี่ก็ว่าเต็มครั้งไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นตัวอุปท า, านในพระพุทธเจ้าให้ความสําคัญมากนะนั้นในสูตต่างๆนะ่ะว่าภิกษุทั้งหลายหนึ่งันลูกเข้าถึงแล้วสิ้นความอ่าอ่าหลุดพ้นเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปาทานอนุปกิเลสเหิจิตตังวิมุตติจิตตังพอจิตได้พ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปาทาน เพราะนั่นอุปทา น, ปทานปเป็นวิลเล่องสำคัญมากนะอย่างที่อาจารย์จุจินดานะมองไปเห็นยอดกล้วยเห็นไอนางอะไรลูกกะระเทวดาวออกมาจากต้นกล้วยนะอันนั้นก็เป็นอุปทานในเรื่องสมัยคืออุปทานอย่างที่ว่ามันก่อนนะโยมมาลาลีเนี่ยนะไปสอบอรมพูดถึงเรื่องภาพใช่ไมภาพที่ปรากฏ มาก็ชี้ไปที่กระจกโยมเห็นกระจกไหมในกระจกมีอะไรมีภาพต้นกล้วยปรากฏอยู่ถามว่าต้นกล้วยจริงไหมในกระจกไม่จริงครับทำไมอะ่ะมันอยู่ตรงนั้นเพราะเป็นภาพสะท้อนในปัจจุบันมีภาพมิตินี้เยอะมากภาพที่เขาพิสูจน์ได้ในวัตถุทั่วไปแค่สามมิติใช่ไหมแต่ในจิตมนุษย์ของเรามีทังหกิติภาพนั้นจะออกมาทางรูปก็ได้ภาพนั้นออกมาทางเสียงก็ได้ ภาพนั้นออกเข้มาทางกลิ่นก็ได้ภาพนั้นออกมาจากรถก็ได้ภาพนั้นออกมาจากสัมผัสก็ได้ภาพนั้นออกจากมโนภาพก็ได้ความฝันทั้งหลายทั้งปวงที่คุณพิมพ์ฝันนั้นนั่นแหละเรียกว่าเป็นสัมผัสที่หกคือความฝันแต่ถ้าหากว่าสัมผัสนั้นมันมีความเป็นไปลักษณะของคนทั่วไปที่เรื่องอถือทรงองค์เจ้านะก็บอกที่นี่มีพญานาครักษาอยู่ คุณจะทำอะไรเลือเทิรไม่ได้ น, ไน้ไอ้พวกนี้ไปหนักเล่นงานคุณเ <c oughs> ขาก็จะไปยกให้คุณพิมใจเนี่ยเป็นอะไรจะเป็นทรงอะไ ร, นะะะ เ, ร, ะไรเนี่ยจะดูแล้วก็จะเลียกว่าเข้าทรงอะไรทีนี้อย่างนี้เขาเรียกนี่อุปทานทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านสลัดภาพนี้ิรุตได้จิตหลุดพ้นเลยอพิสูจน์ทั้งหลายหนึ่งันรูปเข้าถึงแล้วซึ่งความคิดไปอาสวะเพราะหลุดพ้นดังนั้นเรื่องนี้สําคัญ อุปทานเหมือนน้ำสีที่หลวงพ่อพูดถึงน้ำสีเต็มกองพ่อพูดบ่อยๆนั่งพ่อเทียนพูดบ่อยน้ำสีเต็มกระป๋องถ้าเราไม่เจียจางเอาไปเขียนอะไรก็เป็นอันนั้นแต่เมื่อเอาน้ำเติมเข้าไปเรื่อยๆสีนี่เจียเจจางเราเขียนมันก็จะไม่ติดชั้นใดความอุปทานของเราที่เราไปคิดย้ำคิดย้ำถามตรงนั้นบ่อยๆเหมือนกับไปเพิม่มเนื้อของสีมากขึ้นแต่พอเราเติมสติเติมสมาธิเติมปัญญางไปเหมือนเราเติมน้ำ ใสเข้าไปในกระป๋องสีแล้วสีนั้นจะจืดเวันนั้นมีทางเดียวที่จะสลายอวทานได้คือเพิ่มตัวรู้สึกชื่อๆตรงๆเนีเหมือนน้าใสเป็นความรู้สึกชื่อตรงๆชัดๆที่เป็นสติล้วนๆนะไม่ใช่สติที่เป็นอัตตาสติกับอัตตาต่างเนีเช้าๆนึกครูอ้อมพูดถึงใช่ไหมว่เาเมื่อก่อนนี้เขาจเจริญสติเขาดูตัวเองด้วยอัตตาทั้งนั้นไม่ได้ไม่ได้ดูด้วยสติเขาเพิ่งมารู้เดี๋ยวนี้การดูสติกับอัตตาในคนละเรื่องการดูาารรด้วยสติเนี่ยมันจะเป็นกลางจิตมันจะเบาสบาย แต่ถ้าดูด้วยอัตตาเนี่ยจเจริญสติไปก็อ ย, อยิง่งหนักน่วงทวงทับไม่เบาขึ้นเลยนั่นเราดูด้วยอัตตาเข้าใจนะเพราะฉะนั้นครูพะนุ่มอย่าคิดเกินสามครั้งในสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายโอริยาท่านบอกไว้นะมาม่ได้พูดเองแต่ผูดตรตาติแต่ยำปีนะั่นที่เราตรวจกันนั่นแหละท่านบอกว่าถ้าเกินกว่านั้นมันจะเป็นอุปาทานถ้าสามครั้งนี้นยังไม่เป็นนี่เป็นเพียงกัรหาอยู่แค่นั้นเองนะ ถามีนิดนึงอะค่ะที่ตอนเนื่องจากอาจารย์ปุุกที่ว่าเรื่องเรื่องง่วงที่บอาจารย์บอกให้ดูชัดๆที่ให้มันสว่างขึ้นนี่มันเป็นยังไงอะคะ่ะทำยังไงก็ได้ให้มันสว่างอาจจะลุกเต้นฮกเม็ตีลังกาก็ได้แต่ขอให้ตูง่วงนันหายไปลองลองลองลองลอ ง, ลองทําอย่างที่พระอาจารย์ว่าคือว่าให้ลองเปลี่ยนจังหวะ คือหมายถึงว่าพอตัวเองรู้สึกง่วงปุ๊บก็จะจากนั่งก็จะมันเปลี่ยนท่านั่งมันก็เลยมันก็เลยเหมือนเหมือนไม่ได้พักคือไม่ได้ทําอะไรเลยถือก็มัวแต่จะทําให้มันไม่ง่วงพอไม่ง่วงก็เลยไม่ได้อะไรเลยนอกจากทํำไม่ง่วงก็ได้คือได้ไม่ไม่ง่วงนั่นเด็กเนี่ยได้แล้วคือได้ไม่ง่วงนั่นแหละเออเออนั่นเห็นไหมคือยังไม่เข้าใจในสิ่งที่จะวิ่อ่ะเดีนี้คือปัญหาใหญ่เลยนะ